ขอจเจริญพรท่านสาธุชนผู้มีจิตฝ่ายบุญฝ่ายกุศลทุกๆ ท, ท่านวันนี้เป็นวันที่18กุมภาพันธ์พุทธศักราช2550เป็นวันที่พวกเราทั้งหลายได้มาวัดเพื่อมาเติมบุญเติมกุศลกันเติมความดีงามกัน เพื่อเป็นการเสริมสร้างกำลังจิตกำลังใจที่จะดึงให้เราไปสู่ความสุขและความเจริญเพราะชีวิตของเรานั้นเป็นการต่อสู้กันของสองฝ่ายด้วยกันคือฝ่ายดีกับฝ่ายไม่ดีฝ่ายบุญกับฝ่ายบาปฝ่ายกุศลกับฝ่ายอากุศล ฝ่ายธรรมะกับฝ่ายอาธรรมฝ่ายความหลงกับฝ่ายปัญญาฝ่ายความเห็นผิดเป็นชอบกับฝ่ายที่มีความเห็นที่ถูกต้องคือฝ่ายมิจฉาทิฏฐิกับสัมมาทิฏฐิเป็นการต่อสู้อยู่ภายในใจของพวกเราตลอดเวลาถ้าฝ่ายหนึ่ง มีกำลังก็จะเป็นผู้สั่งการให้เราไปทำสิ่งต่างๆถ้าฝ่ายดีเป็นมีกํกำลังมากกว่าก็จะสั่งให้เราไปกระทำสิ่งที่ดีถ้าฝ่ายไม่ดีมีกำลังมากกว่าก็จะสั่งให้เราไปกระทำในสิ่งที่ไม่ดีอย่างวันนี้สำหรับพวกเรา มีกําลังของฝ่ายดีมากกว่าจึงสั่งให้เรามาวัดมาทำบุญทำทานมารักษาศีลมาฟังเทศฟังธรรมมาปฏิบัติธรรมกันดังนั้นการมาวัดจึงเป็นสิ่งที่สำคัญสิ่งที่จำเป็นเหมือนกับรถยนต์ที่ต้องเข้าสถานีบริการเพื่อเติมน้ำมันรถถ้าไม่ได้แวะ เข้าสถานีบริการเติมน้ำมันแล้ววิ่งไปได้ไม่นานน้ำมันก็จะต้องหมดเมื่อหมดแล้วก็ไม่สามารถวิ่งต่อไปได้การเข้ามาวัดก็เพื่อการเข้ามาเติมพลังแห่งความดีงามทั้งหลายไว้ต่อสู้กับพลังแห่งความไม่ดีที่มีอยู่ในจิตในใจของพวกเราทุกคนถ้าเราอยู่ห่างวัด เราจะมีกำลังที่จะทำความดีได้น้อยถ้าเราเข้าวัดอยู่เรื่อยๆเราจะมีกำลังที่จะทำความดีได้มากขึ้นไปเรื่อยๆจนในที่สุดกำลังแห่งความดีจะมีมากกว่ากำลังแห่งความไม่ดีตลอดเวลาทำให้กำลังแห่งความไม่ดีไม่สามารถฉุดลากให้เราไปทำในสิ่งที่ เราต้องเสียอกเสียใจต้องทุกข์ต้องวุ่นวายใจต่อไปดังนั้นเราจึงควรที่ให้ความสำคัญต่อการมาเลิงเติมพลังความดีเติมบุญเติมกุศลเติมธรรมะเติมปัญญาเติมสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบ ให้มีมากยิ่งยิ่งขึ้นไปด้วยการฟังธรรมเป็นเบื้องต้นเพราะการฟังธรรมเป็นการศึกษาหาความรู้ให้รู้ว่าอะไรเป็นสิ่งที่ดีอะไรเป็นสิ่งที่ไม่ดีอะไรเป็นสิ่งที่ถูกต้องอะไรเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องอะไรเป็นบุญอะไรเป็นบาป อะไรเป็นเหตุที่จะนำพาเราไปสู่ความสุขความเจริญอะไรเป็นเหตุที่จะนำพาเราไปสู่ความทุกข์ความเสื่อมเสียทั้งหลายเมื่อเราได้ยินแล้วเราจะได้รู้ว่าเป็นอย่างไรถ้าเราไม่ได้ยินได้ฟังเราเชื่อคนอื่นหรือคนอื่น หรือเราเชื่อในตัวในความคิดของเราเองซึ่งอาจจะถูกก็ได้อาจจะผิดก็ได้ถ้าเป็นความคิดที่ถูกเราก็โชคดีไปแต่ถ้าเป็นความคิดที่ผิดคือเป็นความคิดที่ไม่ดีแล้วเราทําตามไปเราก็จะต้องผิดหวังเราจะต้องเสียใจในภายหลังแต่ถ้าเราฟังเทศฟังธรรม คำสอนของพระพุทธเจ้าเราจะมีความม่นมั่นใจได้ร้อยเปอร์เซนว่าทุกคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นเป็นความจริงทั้งสิ้นถูกต้องตามหลักความเป็นจริงสามารถนำเอาไปปฏิบัติได้อย่างมั่นใจว่าจะไม่ผิดพลาดว่าจะไม่ต้องมาเสียอกเสียใจมาร้องโห o ร้องไห้ในภายหลัง นี่คืออนุภาพของพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าเป็นธรรมที่จะสามารถนําให้ผู้ปฏิบัติหลุดพ้นจากความทุกข์หลุดพ้นจากความเสื่อมเสียหลุดพ้นจากความเศร้าโศกเสียใจหลุดพ้นจากความห <c oughs> วาดภวาหลุดพ้นจากความวุ่นวายของจิตของใจได้ ดังที่พระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกได้ดําเนินมาแล้วได้พิสูจน์มาแล้วถ้าเป็นยาก็เป็นญาที่ได้รับการรับรองจากสถาบันรับรองยาแล้วว่าเป็นยาที่เป็นญาที่มีคุณภาพสามารถรักษาโรคตามที่ที่ได้โฆษณาเอาไว้ อังใดธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าก็เช่นเดียวกันสามารถชาระโรคภัยไข้เจ็บทางด้านจิตใจได้ถ้าเรานำเอาธรรมะโอสดคือพราธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเข้ามาปฏิบัติกับจิตกับใจเราแล้ ว, ลวต่อไปใจของเราก็จะหายจากโรคต่างๆโรคของใจก็คือโรคของความวุ่นวายใจ ทุกใจกังวลใจเศร้าโศกเสียใจอะไราอาวรหวาดกลัวกับสิ่งต่างๆทั้งหลายสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่พระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าสามารถกําจัดให้หมดสิ้นไปจากจิตจากใจได้สามารถกําจัดความเห็นผิดที่จะพาให้เราไปทำในสิ่งที่ผิดในสิ่งที่เสียได้ ดังนั้นเราจึงต้องหมั่นฟังเทศฟังธรรมอยู่เสมอเพราะการฟังเทศตามการตามเวลาเป็นมงคลแก่ชีวิตนดังในภาะบาลีที่ได้แสดงไว้ว่ากาเลนะธรรมะสวัน an e ังเอตัมมังกลมุตตมังการฟังเทศตามการตามเวลาเป็นมงคลอย่างยิ่งแก่ชีวิตเพราะเราจะได้ รู้จักผิดถูกดีชั่วรู้จักการดำเนินชีวิตที่จะพาให้เราจเจริญก้าวหน้ามีแต่ความสุขดำเนินชีวิตที่จะพาให้เราห่างไกลจากความทุกข์จากความวุ่นวายใจทั้งหลายได้ดังนั้นเราจึงต้องพยายามถือเป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องฟังเทศฟังธรรมอยู่เรื่อยๆอย่างน้อยที่สุด อย่างน้อยที่สุดอาทิตย์หนึ่งต้องฟังเทศหนึ่งครั้งเช่นวันพระวันพระนี่ภาษาพระท่านเรียกว่าวันวันวันฟังเทศฟังธรรมวันธรรมมัสสวนะเป็นวันฟังธรรมพระพุทธเจ้าได้ทรงกาหนดไว้ตั้งแต่ 2,500 กว่าปีมาแล้วและได้มีการ ปฏิบัติตามกันมาอย่างต่อเนื่องเพราะผู้ที่ปฏิบัติตามได้รับประโยชน์จากการได้ฟังเทศฟังธรรมนี่เองทำให้ตอนเห็นสิ่งต่างๆที่ตอนอนองเห็นผิดเป็นชอบแล้วจะได้แก้ไขได้เพื่อจะได้ดำเนินชีวิตไปสู่ความดีสู่ความสุขความเจริญ ความเห็นผิดเป็นชอบพวกเรานั้นมีอยู่มากมายหลายอย่างด้วยกันบางคนก็เห็นว่าการรักษาศีลทําให้ไม่เจริญก้าวหน้าทําให้อยู่ในสังคมในปัจจุบันนี้ไม่ได้นี่ก็เป็นความเห็นผิดเป็นชอบเพราะว่าคิดว่าถ้าไม่โกหกแล้วเวลาขายของจะขายไม่ออกเวลาคนมาซื้อข้าวซื้อของแล้วเขาถามว่าราคาเท่าไหร่ ก็ไม่กล้าบอกราคาจริงๆไปต้องโกหกเขาไปอย่างนี้เพราะกลัวว่าถ้าบอกราคาจริงแล้วราคาต้นทุนเท่าไหร่แล้วแล้วบอกราคาขายไปเขาจะไม่ซื้อเพราะเขาเห็นว่าเราเอากำไรมากจนเกินไปอย่างนี้เราไม่ต้องกังวลเพราะว่าถ้าเราไม่จะพูด เราก็อยู่เฉยๆนิ่งเฉยๆก็ได้หรือบอกเขาไปว่าบอกไม่ได้ก็หมดเรื่องไม่จำเป็นที่จะต้องไปโกหกหลอกลวงกันอันไหนเราพูดได้เราก็พูดไปอันไหนเราพูดไม่ได้เราก็ไม่ต้องพูดเราไม่ต้องไปกังวลว่าเขาจะซื้อของกับเราหรือไม่ไม่ไม่เป็นไรเขาไม่ซื้อของก็ไม่เป็นไรเพราะว่าไม่ คนทุกคนที่เข้ามาในร้านก็ไม่ได้หมายความว่าจะซื้อของกันทุกคนไปเสมอบางคนก็อาจจะมาสอบถามราคาดูเท่านั้นเองเพื่อเปรียบเทียบกับราคาของร้านอื่นเขาแต่ถ้าเราตั้งมั่นอยู่ในความซื่อสัตย์คือไม่พูดโกหกคนที่เข้ามาซื้ออย่างน้อยเขาก็จะได้รู้ว่าเราเป็นคนดีเราไม่ได้เป็นคนโกหก เพราะว่าถ้าเราพูดโกหกไปเขาก็รู้อยู่ดีเพราะเมื่อเขาไปถามร้านอื่นเขาไปเปรียบเทียบกับร้านอื่นเขาก็รู้ว่าราคาที่เราบอกเขานั้นไม่ใช่เป็นราคาจริงเขาก็จะรู้ว่าเราผลไม่ดีเป็นคนที่พูดปดมดเท็แทนที่เขาอยากจะกลับมาซื้อของกับเราทำมาค้าขายกับเราเขาก็จะตัดเราออกไป แต่ถ้าเขารู้ว่าเราเป็นคนดีเป็นคนซื่อสัตย์พูดความจริงหรือถ้าพูดความจริงไม่ได้ก็ไม่พูดอย่างนี้เขายังให้ความเคารพ ก, กับเราแล้วเขาเห็นว่าเราเป็นคนที่ไม่พูดปดนั่นเองถ้าเขามีอะไรที่เขาจะต้องทำการค้ากับเราเขาก็อย่างน้อยก็มีความมั่นใจว่าเราจะไม่ไปโกหกหลอกลวงเขา นี่คือความเห็นผิดของคนในสังคมเช่นอีกอย่างหนึ่งก็คือการเสพสุรายาเมาคิดว่าถ้าไม่ดื่มสุราแล้วจะไม่เจริญก้าวหน้าจะเข้าสังคมกับเขาไม่ได้เพราะเวลาเขามีเลี้ยงมีงานอะไรต่างๆเขาต้องมีสุรามาให้ดื่มแล้วถ้าเราไม่ดื่มเราก็กลายเป็นคนเชยคนล้าสมัยเราก็กลัวว่าต่อไปเขาจะไม่ คบค้าสมาคมกับเราถ้าเราทำงานเราก็กลัวว่าเขาจะไม่เลื่อนตำแหน่งให้ระับเราเพราะเห็นเราเป็นคนเชยเป็นคนลาสมัยนี่ก็เป็นความคิดที่ผิดเช่นเดียวกันเพราะคนที่เขาจะ เ, าเลื่อนตำแหน่งให้กับเราเขาไม่ได้ดูตรงที่ว่าเรากินเหล้าหรือไม่กินเหล้า เขาดูตรงที่ว่าเราทำงานมีความสามารถมีความรู้มากน้อยเพียงไรต่างหากนี่เป็นสิ่งที่เขาจะดูและการเสพสรารยาเมาเขาก็จะเห็นเป็นสิ่งที่เป็นส่วนเป็นผลเป็นเป็นส่วนลบไปเพราะรู้ว่าถ้าคนกินเดิมสุราเกินเกินความสามารถที่จะประครับประคองจิตใจของตอนเองได้ ก็จะกลายเป็นคนที่มีความประพฤติที่ไม่ดีสร้างความเสียหายให้กับผู้อื่นและอาจจะไม่มาทำงานได้เพราะเมื่อดื่มสุราเมามากๆก็จะนอนตื่นสายมาทำงานไม่ทันดังนั้นคนที่เขามีปัญญามีความรู้มีความเห็นที่ถูกต้องแล้ว เราจะรู้ว่าคนที่เสพสุรายาเมานั้นเป็นคนที่ไม่น่าไว้วางใจไม่น่าส่งเสริมไม่เหมือนกับคนที่ไม่เสพสุรายาเมาถึงแม้จะเข้าสังคมไม่เป็นก็ไม่ใช่เป็นเรื่องเสียหายอะไรเรื่องของสังคมนั้นมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของการงานหรือว่าเราเข้าสังคมเราก็ไม่จำเป็นจะต้องไปดื่มสุราเขาก็ได้ พอน้ำอย่างอื่นก็มีให้ดื่มอยู่มากมายน้ำเปล่าๆก็ได้น้ำอัดลมน้ำผ ล, ลไม้ต่างๆก็ดื่มได้เหมือนกันไม่มีกฎหมายบังคับว่าถ้าไปงานแล้วถ้าไม่ดื่มสุราจะผิดกฎหมายจะต้องถูกจับเข้าคุกเข้าตารางแต่อย่างใดแต่เป็นเพราะว่าเราเป็นคนที่ไม่อยากจะให้คนอื่นเขามองว่าเราเป็นคนด้อยคนล้าสมัย เราอยากจะให้คนอื่นเขาเห็นว่าเราเป็นคนทันสมัยเป็นคนเก่งก็เลยคิดว่าถ้ากินเหล้าเก่งแล้วคนเขาจะคิดว่าเราเป็นคนเก่งนี่ก็เป็นความเห็นผิดที่เราจะไม่รู้ถ้าเราไม่ได้ฟังเทศฟังธรรมไม่ได้ศึกษาจากคนที่ฉลาดคนที่รู้เช่นพระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกทั้งหลาย พระพุทธเจ้าผ้าหลานตะสาวกนั้นท่านอยู่ห่างไกลจากพวกหละพวกอบายามุขเหล่านี้เช่นการเสพสุรายาเมาการเล่นการพนันการเที่ยวกลางคืนการคคนชั่วเป็นมิตรและความเกียดคร้านท่านได้เห็นด้วยเห็นด้วยผลแล้วว่าสิ่งเหล่านี้มีแต่จะฉุดลาก ให้ผู้ที่ไปเกี่ยวข้องด้วยนั้นตกลงไปสู่ที่ต่าเพราะว่าการกระทำเหล่านี้ไม่ได้เป็นการเสริมสร้างรายได้มีแต่เสริมสร้างรายจ่ายมีแต่จะทําลายทรัพยากรทรัพย์เงินทองที่เรามีอยู่ให้หมดไปแล้วถ้าเราถูกอบายามุกเหล่านี้ผลานเงินผลานทองไปหมดแล้ว แล้วเราไม่มีกำลังความสามารถที่จะหามาใหม่ด้วยความสุดเจริจเราก็ต้องไปทําทุจริตวิธีด้วยวิธีการต่างๆไปช่อโกงไปลักไปขโมยไปโกหกหลอกลวงแล้วดีไม่ดีก็ไปฆ่าผู้อื่นเพราะเราพยายามที่จะหาเงินมาใช้กับอบายยมุกต่างๆนั้นต่อไปนั่นเอง พระพุทธเจ้าทรงเห็นอย่างแจ้งชัดแล้วว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีไม่ควรคนที่ยังมีความเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้ในทางพระพุทธศาสนาเรียกว่าเป็นคนที่มีมิจฉาทิฏฐิมีความเห็นผิดเห็นกับตาลปัดเห็นกงจักเป็นดอกบัวคือยังเป็นคนขาดปัญญา ถูกความหลงครอบงมจิตใจยอยู่ดังนั้นถ้าเราเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องอาบายามุกต่างๆแล้วขอให้เราเตือนตัวเองว่าเรากำลังเดินหลงทางเรากำลังเดินผิดทางเราไม่ได้เดินไปสู่ความสุขไปสู่ความเจริญแต่เรากำลังเดินเข้าสู่กองทุกเข้าสู่ความเสื่อมเสียเราควรที่จะรีบถอยออกมา ถ้าเราเคยเสพสุรายามเมาก็พยายามเลิกเสียถ้าเราเล่นการพนันเราก็พยายามเลิกเล่นถ้าเราชอบเที่ยวกลางคืนก็พยายามเลิกเที่ยวถ้าเราชาอบคบคนชั่วเป็นมิตรก็พยายามเลิกเสียคนชั่วนี้เป็นอย่างไรก็ <Want to learn genius> คนที่ชอบเสพสุรายามเมาคนชอบเล่นการพนันชอบเที่ยวกลางคืน คนพวกนี้เราถือว่าเป็นคนไม่ดีเราไม่ควรที่จะไปเกี่ยวข้องกับเขาอย่าไปสนิทสนมกับเขาเพราะเขาจะชวนเราไปทําแต่สิ่งเหล่านี้ท่านสอนให้เราคบคนดีให้คบบัณฑิตบัณฑิตจะพาเราไปสู่ความสุขและความเจริญบัณฑิตก็คือคนที่มีสัมมาทิฏฐิมีความเห็นชอบนั่นเอง เห็นว่าอบายามุขเป็นสิ่งเป็นความเป็นสิ่งที่จะพาให้ไปสู่ความเสื่อมเสียบัณฑิตทั้งหลายเช่นพระพุทธเจ้าพระอาหารหันตสาวกจะไม่เกี่ยวข้องกับอบายามุขเลยจะไม่เสพสุรายา ม, มาไม่เล่นการพนันไม่เที่ยวกลางคืนไม่คบคนชั่วเป็นมิตรและไม่มีความเกียจคร้านนี่คือสั ญ, ญลักษณ์ของบัณฑิต บัณฑิตจะเป็นคนขยันหมั่นเพียรขยันทำงานทำการขยันศึกษาหาความรู้อยู่เรื่อยๆแม้จะมีอายุมากเพียงไรก็ตามก็ยังต้องศึกษาอยู่เรื่อยๆเพราะการศึกษา <c oughs> ของชีวิตนี้จะไปสิ้นสุดได้ก็ต่อเมื่อจิตได้บรรลุเป็นพระอารหันต์ได้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วเท่านั้นถ้ายังไม่ได้บรรลุเป็นพระอารหันต์ยังไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้า ก็ถือว่ายังไม่ฉลาดพอยังไม่ได้เป็นบัณฑิตร้อยเปอร์เซ์เพราะคนที่ยัง <c oughs> ไม่ได้บรรลุเป็นพระพุทธเจ้าหรือเป็นพระอราหันต์ก็ยังเป็นคนที่ยังตกอยู่ภายใต้อำนาจของความหลงของความเห็นผิดอยู่จะมากจะน้อยเท่านั้นเองบางคนถ้าได้ศึกษาธรรมมากมา ก, มากความเห็นผิดเป็นชอบก็จะน้อยลงไปตามลำดับและจะหมดไป ในที่สุดแต่ถ้ายังไม่หมดก็ยังต้องศึกษาไปเรื่อยๆก่อนการศึกษาของเราจึงต้องเป็นการต่อเนื่องเราจึงต้องไฝ่รู้ไฝ่ศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งความรู้ทางพระพุทธศาสนาเพราะเป็นความรู้ที่แท้จริงเป็นความรู้ที่สามารถที่จะทำให้เราหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงได้ เป็นความรู้ที่จะพาให้เราไปสู่ความสุขและความเจริญอย่างแท้จริงได้เช่นพระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกทั้งหลาย <c oughs> ความรู้อย่างอื่นในโลกก็เพียงแต่ช่วยให้เราสามารถทำมาหากินได้ดีขึ้นได้เงินทองมากขึ้นเช่นถ้าเราเรียนจบปริญญาตรีมาแล้วเราไปเรียนต่อปริญญาโทรปริญญาเอก เวลาเราทำงานเราก็สามารถที่จะได้งานที่ดีกว่าเก่าเพราะปริญญาโทรปริญญาเอกนี้ทางโลกเขายอมรับว่าเป็นคนที่มีความรู้มากสามารถทำประโยชน์ได้มากกว่าคนที่เรียนจบปริญญาตรีมาเขาก็จะยินดีที่จะจ้างเราในราคาในเงินเดือนที่สูงขึ้นกว่าเดิมแต่ก็ได้เพียงเท่านั้น เพราะว่าความรู้ทางโลกนี้ต่อให้รู้มากเท่าไหร่ก็เป็นเหมือนความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอดเพราะว่าจะเรียนมากขนาดระดับปริญญาเอกก็แล้วก็ตามแต่ก็ยังจะไม่สามารถกําจัดความทุกข์ให้หมดไปจากจิจากใจได้ยังไม่สามารถกําจัดโมหะความหลงมิจฉ้าทิฐิความเห็นผิดเป็นชอบได้ เราจึงเห็นคนที่จบปริญญาเอกกินเหล้าเมายาเล่นการพนันเที่ยวกลางคืนแล้วก็ไปทำผิดศีลผิดธรรมไปทำการทุจริตต่างๆจนในที่สุดต้องไปติดคุกติดตารางหรือถูกถูกจาโทษตลอดชีวิตหรือประหารชีวิตไปเลยก็มีเพราะว่าความรู้ทางโลกนั้นเป็นเพียงความรู้ทางวิชาชีพเท่านั้นเองสอนให้เรารู้จักวิธีทำ ม, มาหากิน แต่ไม่ได้สอนให้เราทำหาหากินด้วยวิธีใดไม่ได้สอนว่าทาวิธีที่ทาแล้วไม่เกิดความทุกข์เกิดความวุ่นวายใจขึ้นมาไม่ได้สอนเพียงแต่สอนวิธีให้หาเงินหาทองมาเท่านั้นเองแต่ถ้าเป็นธรรมะแล้วจะสอนทั้งสองอย่างสอนทั้งวิธีหาเงินหาทองที่ถูกต้องและหาเงินหาทองแบบไม่วุ่นวายใจ ไม่ทุกข์ใจไม่เศร้าโศกเสียใจเพราะธรรมะจะสอนให้เราหากินด้วยสั ม, มาชีพคือไม่ผิดศีลผิดธรรมเช่นไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่ลักทรัพย์ประพฤติผิดกเวณีไม่พูดปดมดเท็จไม่เสพสุราอยา่างเมาให้หาแบบนี้หาแล้วก็ต้องหาด้วยปัญญาคือต้องรู้ว่าสิ่งที่ตนมาหามาได้นี้ เป็นสิ่งที่ไม่จีรังถาวรเป็นสิ่งที่ไม่จะไม่อยู่กับเราไปตลอดไม่แน่นอนอาจจะมาอยู่เราได้มาวันนี้เพิ่งนี้เราอาจจะสูญมันไปก็ได้เราจึงต้องมีปัญญาเพื่อเราจะได้ไม่หลงยึดติดไม่มีอุ ป, ปาทานได้มาก็เตรียมพร้อมเตรียมใจเสมอว่าสักวันหนึ่งก็อาจจะต้องเสียไปจะต้องหมดไปได้ และจะหมดอย่างไรเสียไปเมื่อไหร่ก็ <c oughs> ไม่มีใครนี่คือสิ่งที่ธรรมะจะสอนให้เรารู้ไว้เวลาเราทำมาหากินแล้วเราได้เงินได้ทองมาเราก็อย่าไปหลงดีอกดีใจว่ามันจะอยู่กับเราไปตลอดเสมอไปมันอาจจะหมดไปสักวันใดวันหนึ่งก็ได้เราจึงอยากไปประมาทเวลาได้เงินได้ทองมาแล้วก็ยึดติดกับเงินทอง อาศัยเงินทองเป็นเครื่องให้ความสุขคนฉลาดแล้วจะไม่อาศัยเงินทองมาซื้อความสุขคนฉลาดเพียงแต่อาศัยเงินทองเพื่อมาดูแลรักษาอัตภาพชีวิตร่างกายให้อยู่แล้วเพื่อจะได้เอาไปทำความดีต่อไปเอาเงินทองที่ได้มาเอาไปทำบุญทำกุศลเอาไปแจกจ่ายเอาไปช่วยเหลือผู้อื่นเพื่อเป็นการสะสม คุณงามความดีไว้ต่อสู้ไว้กาจัดสิ่งที่ไม่ดีที่มีอยู่ในใจของเราสร้างความเห็นถูกสัมมาทิฏฐิให้เกิดขึ้นเพื่อจะได้ไปทำลายความเห็นผิดที่มีอยู่ในจิตในใจนี่ต่างหากคืองานที่แท้จริงของพวกเราคือการมาสร้างความดีสร้างบุญสร้างกุศลสร้างธรรมะสร้างปัญญา สร้างสั ม, มาทิฏฐิเพื่อที่จะได้ไปทําลายหรือไปกําจัดความไม่ดีที่มีอยู่ในใจของเราไปทําลายบาปทําลายอากุศลทําลายมิจฉาทิฏฐิทําลายความหลงที่มีอยู่ในจิตใจของเราให้หมดสิ้นไปนี่คืองานของเราเพราะถ้าเราทําแล้ว ทำจนสำเร็จแล้วเราจะได้รับรางวัลที่ไม่มีอะไรในโลกนี้สามารถให้กับเราได้นั่นก็คือความพ้นทุกข์เราจะอยู่เหนือความทุกข์ทั้งปวงคนอื่นเขาจะร้องหหมร้องไห้เศร้าโศกเสียใจอะไรอววรกับเรื่องอะไรก็ตามแต่กับเราแล้วเราจะรู้สึกเฉยเฉยจะไม่เดือดร้อนเลยเวลาเราเสียอะไรไปแม้แต่จะเสียคนที่เรารักไป หรือแม้แต่จะเสียสิ่งที่เรารักไปเช่นชีวิตของเราเราจะไม่รู้สึกเศร้าโศกเสียใจกวนกวายทุกข์ใจเลยเพราะว่าเรามีบุญมีกุศลมีธรรมะมีปัญญาไว้กำจัดความทุกข์ต่างๆที่เกิดขึ้นจากบาปจากอากุศลจากความเห็นผิดเป็นชอบ จากความหลงที่มีอยู่ในจิตใจของเรานั่นเองนี่คือสิ่งที่เราจะได้รับถ้าเราบําเพ็ญตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนอย่างที่พวกเราทั้งหลายได้มาบําเพ็ญกันในวันนี้เรากำลังมาเติมบุญเติมกุศลเติมธรรมะเติมปัญญาเติมสัมมาทิฏฐิเพื่อที่จะได้พาให้เราไปสู่ความสุขและความเจริญ และความทนพุทธพ้นทุกไปในที่สุดจึงอยากจะให้ท่านจงมีความแน่วแน่มั่นใจในการปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนขอให้ท่านจงมีความขยันหมั่นเพียรพยายามทำต่อไปอย่าท้อถอยไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามอย่างน้อยต้องได้ฟังเทศฟังธรรมอาทิตย์ละหนึ่งครั้ง อย่างน้อยต้องได้ทำบุญอาทิตย์ละหนึ่งครั้งถ้าทำได้มากยิ่งกว่า น, นั้นได้ยิ่งดีนี่เป็นอย่างน้อยก็คืออาทิตย์ละหนึ่งครั้งแต่ควรจะทำมากขึ้นไปกว่า น, นั้นถ้าทำได้ทุกวันเลยยิ่งดีใหญ่หรือทำได้ทุกลมหายใจเข้าออกเลยยิ่งดีใหญ่เราอาจจะคิดว่าทำได้อย่างไรทุกลมหายใจเข้าออกก็คือการเระลึกถึงความตายนี่เองระลึกถึงความ การดับของสิ่งต่างๆสิ่งนี้เราสามารถทําได้ทุกลมหายใจเข้าออกเช่นที่พระพุทธเจ้าได้สอนพระอานุ์ให้เราลึกถึงความตายทุกลมหายใจเข้าออกเพราะเมื่อเราเลึกถึงความตายแล้วเราจะได้ไม่ประมาทเราจะได้ไม่หลงยึดติดกับสิ่งต่างๆในโลกนี้และเราจะมีแต่ความขยันที่จะทําแต่ความดีสะสมบุญสะสมกุศลสร้างปัญญาสร้างความเห็นชอบ ให้กับจิตใจของเราเมื่อเราทำได้อย่างนั้นแล้วรับรองได้ว่าการหลุดพ้นจากความทุกข์จะไม่ห่างไกลจากเราเลยจะอยู่ใกล้แค่เอื้อมนี้เองจึงขอฝากให้ท่านทั้งหลายนำเรื่องราวที่ท่านได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปศึกษาแล้วไปปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขที่แท้จริงที่จะตามมาต่อไปการแสดง ก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ <c oughs> <c oughs> ขอคุณพระศรีรัตนตรัยมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และสิ่งศักดิ์สิทธ์ทั้งหลายจงปกป้องคุ้มครองรักษาให้ท่านทั้งหลายแคล้วคลาดปลอดภัยจากทุกภัย <c oughs> อันตรายทั้งหลายทั้งปวงให้มีแต่ความสุขความเจริญด้วยอายุวันนะสุขภะพละ โดยทั่วหน้ากันเธอ